นิทานเรื่องพญานาคตัวดํา เป็นผู้นำคนอื่นเขาทำความดีที่วัดเขาได้ฟังพระเทศมากกว่าคนอื่นเขานําคนอื่นเขาทําความดีที่ มูอยู่ในวัดมานานเข้าเขาก็มีทิฐิมาก ชอบเที่ยวไปสอนพระที่เอาไปสอนพระยังอายุน้อยอยู่บางท่านรู้แจ้งในความจริงแล้วเขาไป ไม่จริง! จริงมันต้องอย่างนี้ใช่อย่างนั้นมันนั้นเอาไม พอคนอื่นเขาแย้งมาเขาก็จะแย้งกลับอื่นไม่ค่อยจะยอมใครแกก็เป็นของแกแบบนี้ไปเรื่อยๆจนแกก็ตายจากความเป็นคนไปหนึ่งแกก็ ที่มีลำตัวสีดําๆ ตัวแต่ก็ไม่ได้นึกถึงคุณของพระจริงเพราะไปมองตัวเองว่าเป็นผู้ที่มีความรู้เยอะกว่าคนอื่นกราบพระไหว้พระแต่ก็ๆ มันก็เลยมีสีดำทั้งตัวที่จริงแล้วเลยมีสีดําทั้งตัวที่จริงแล้วพญานาค เขาเป็นคนไม่เอาใครไม่เครือกูลกับ อย่างนี้คุณทําไม่อยู่ในที่มืดมืดไม่มีแสงสว่างอยู่อย่างนั้นมานานนั้นก็ประมาณสองล้านปีทําไม่ ทรมานอยู่กับความคิดของตนเป็นทุกข์อย่างนี้ เขาไม่ฉะนั้นเรื่องมันก็ไม่มีในซึ่งมันก็ยังดีกว่าไปตกนรก ต่อมาก็มีพญานาคผู้มีใจ ไม่ที่ช่วยคนอื่นเพราะว่าในฐานะที่เขาเป็นใหญ่ในการจัดการนาคสีดําที่ช่วย เป็นพญานาคที่หมั่นทําสมาธิมันทรงฌาน เมื่อถึงเวลาขึ้น 15 ค่ำปากของพญานาคสีดำนี้ก็ 15 แล้วพอเลยวันขึ้น 15 ค่ำไปแล้วก็ เขาพอมีบุญที่นึกถึงพระได้ แต่พญานาคผู้เป็นใหญ่ที่เป็นผู้สามารถของได้ซึ่งเมื่อ อยากจะไปช่วยจะไปช่วยท่านก็เลยแปลงเป็นพระ เนื่องจากพออยู่ในๆ5 ข้อ 227 ข้อถึงแม้ แต่ว่าท่านก็อยู่ในฐานะที่สูงกว่าเพราะท่านมีศีลมากกว่าท่านก็อยู่ในฐานะที่สูงกว่า เขาจึงเสียใจจึงเสียใจร้องไม่มีใครหลอกที่ไม่เคยผิดมาก่อนโค้มลง ว่าชีวิตเราชีวิตทางสว่างของท่านยังมีอยู่มันยังมีพาไปอยู่ในที่ที่หนึ่งที่จะทาง สีเพราะเขาติดใจสีจีวรของพระของเขาท่านผู้เจริญท่านจงรักษาใจของท่านเถิดเปลี่ยนใจของท่านนึกถึงสิ่งใดแล้วเป็นสุข ก็จงพยายามนึกถึงสิ่งนั้นอย่าไปคิดถึงสิ่งที่เป็นความเศร้าหมองพยายามนึกถึงสิ่งนั้นอย่าไปคิดๆ นับวันเวลาผ่านไปผ่านไปกายของเขาก็ ทางมีเพชนินจินดาที่เขานึกถึงเสมอนึกถึงความดีของพระนึกจนทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมด พอระยะเวลาผ่านไปเขาก็คิดสงสัยว่าท่านผู้ใดเป็นผู้มีคุณแก่เราหนอพระองค์ใดที่มีพระคุณแก่เราไปเขาก็คิดสงสัยว่า แต่เขาก็เลยเข้าไปหาท่านพญานาคเขาก็เลยๆ ทำไมทั้งที่แท้จริงแล้วท่านก็เป็นงูสามารถงูเป็นของภายนอกร่างเป็นพระสงฆ์ เราจึงมีท่านจึงสามารถเห็นเราได้อย่างนั้นคล้ายกับพระแต่ จงแล้วเว้นใจของท่านที่จะคิดเบียดเบียนใครเขาละเว้นใจๆเราจะไม่เบียดเบียนเขาจงเห็นเขาด้วยความสงสารไม่เบียดเบียนเขา เกิดเกิดมาเพื่อรอแต่ความตายเพื่อจงอย่ามีความคิดที่จะเบียดเบียนกันเลยทุกข์เวทนาจากการงานเกิด ท่านพญานาก็พูดต่อว่างั้นไปกับ เวลานี้พระพุทธเจ้าท่านเสด็จมาอยู่ที่ริมแม่น้ำห่างจากนี่ไม่ไกลนักเราไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากันแต่เวลานี้เพราะว่ายังมีคนที่มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่รอให้เวลาล่วงไปเป็นเวลาที่ตะวันตกดินก่อนเราค่อยไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากัน นั้นถึงเวลาพญานาคทั้งสองก็พา พระองค์ทรงลืมพระเนตรแล้วตรัสว่าองค์ทรงลืมพระเนตรแล้วตรัสว่าปุริสาบุรุษ แล้วความเป็นพระอริยะบุคคลของมนุษย์นั้นเขาเป็นด้วยเหตุใดหน้าบุคคลที่ถึงซึ่งความเป็นพระอริยะเหล่านี้ดําก็ถาม ว่าให้ความรักและความอ่อนโยนแก่บุคคลทั้งหลายของน่ากลัวของตนเอง ประลึกทุกชีวิตที่เกิดมานั้นเสมอว่าทุกชีวิตที่เกิดมานั้น จึงไม่มัวกายอันเป็น กราบเห็นว่าเป็นเหตุแห่งความ แล้วพระองค์ก็เสด็จกลับพระองค์ก็แต่บรรลุไม่ได้กลับพญาถึงจะเป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์ตั้งมั่นก็ แต่ก็จนไม่นานนักสามารถที่ข้อมูลจากหนังสือ รวมโดยท่านจิตโต